พระศาสดาตรัสเนื้อความที่พระเวสสันดรตรัสกับพระนามตสีว่าถ้ามนุษย์บางคนเดินไปตามทางหรือเดินสวนทางมาเราได้ถามทางกับพวกเขาว่าเขาวงกฏอยู่ที่ไหนพวกเขาพบเราในระหว่างทางนั้นต่างก็พากันคร่ำครวญอย่างน่าสงสารทุกข์กระทมต่อเราว่าเขาวงกฏยังอยู่อีกไกลพระศาสดาตรัสเนื้อความนี้ว่า ทาทารกทั้งหลายทอดพระเนธเห็นต้นไม้ที่มีผลในป่าใหญ่ต่างพระทรงกันแสงเพราะเหตุแห่งผลไม้เหล่านั้นหมู่ไม้สูงใหญ่ดังจะเห็นทารกทรงพระกันแสงจึงโน้มกิ่งลงมาเองจนใกล้จะถึงทารกทั้งหลายพระนางมัซีผู้มีความงามทั่วสรรพางกายเห็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยมีมาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดขนผองสยองกล้าวนี้แล้วจึงกล่าวสาธุกการว่า เหตุอันน่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาในโลกเป็นเหตุที่เกิดขนพองสยองกล่าวด้วยเดชแห่งพระเวสสันดรต้นไม้จึงโน้มกิ่งลงมาทวยเทพทั้งหลายต่างก็ได้มาช่วยย่นทางเข้าให้กระจัดทั้งสี่พระองค์เสด็จถึงเจตราชได้โดยใช้เวลาเสด็จเพียงวันเดียวเพื่ออนุเคราะห์ทารกทั้งหลายกริย์ทั้งสี่พระองค์นั้นทรงดำเนินไปสิ้นทางไกล เสด็จถึงเจตราชซึ่งเป็นชนบทที่เจริญมั่งคั่งมีเนื้อและข้าวอย่างดีเป็นอันมากพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าชาวนครเจตราชเห็นพระนางมาัตสีผู้มีลักษณะสวยงามเสด็จมาก็ห้อมล้อมแห่แห่ด้วยกล่าวกันว่าพระแม่เจ้าเป็นกษัตริยสุขุมลรชาชหนาะดำเนินมาด้วยพระบาทปเปล่าเคยทรงราชยานคานหามและราชรถ วันนี้พระนางมัตสีต้องดำเนินด้วยพระบาทเปล่าในป่าพระยาเจตร่าทั้งหลายได้เห็นพระเวชันดรต่างก็ทรงกันแสงเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ทรงพระสัาราณปราศจากโรคาพาธหรือพระองค์ไม่มีทุกข์หรือพระราชบิดาของพระองค์หาพระโรคาพาธนิได้หรือชาวกรุงสีพีก็ไม่มีโรครอกหรือข้าแต่มหาราช คนนื้กายของพระองค์อยู่ที่ไหนกระบวนรถของพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ไม่มีม้าส่งไม่มีรถส่งทรงดําเนินมาสิ้นทางแสนไกลถูกพวกอมิตรย่ยํายีหรือจึงเสด็จมาถึงทิศนี้พระเวสสันดรตรัสว่าสหายทั้งหลายเข้าพเจ้ามีความสุขไม่มีโรคเบียดเบียนอันหนึ่งพระราชบิดาของเข้าพเจ้าก็ทรงปราศจากพระโรค และชาวกรุงศรีพีก็ไม่มีโรคเบียดเบียนเพราะข้าพเจ้าได้ให้พญากุณชรมีงานดูดงอนไถแกล้วกล้าสามารถรู้จักเขตแห่งการรคทั้งปวงเผือกผ่องประเสริฐสุดคลุมด้วยผ้ากำพลเหลืองซับมันอาจย่ำยีศัตรูได้มีงาหน้าชอบใจเผือกผ่องดังภูเขาไกลลาดพร้อมทั้งพัดวาลวีชนี ทำไมพระเวชันดอนจึงได้พระราชาทานพญาช้างราชพานะซึ่งเป็นยานชั้นเลิศเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐพร้อมทั้งฉัดขาวเครื่องลาดหมอช้างและคนเลี้ยงช้างแก่พวกพราหมณ์เพราะเหตุนั้นชาวกรุงศรีพีจึงพากันโกรกเคืองข้าพเจ้าทั้งพระบิดาก็ทรงกลิ้วขับไล่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปเขาวงกตสหายทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงทราบโอกาส ซึ่งเป็นที่อยู่ในป่าของข้าพเจ้าเถิดพระยาเจตราชกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เสด็จมาดีมิได้เสด็จมาร้ายพระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่เสด็จมาถึงแล้วขอพระองค์ตรัสบอกพระประสงค์สิ่งที่มีอยู่ในเมืองนี้ข้าแต่มหาราชขอเชิญพระองค์สวยสุธาโภชนาหารข้าวสาลีผักดองเง่ามันน้ำผึ้งและเนื้อเถิด พระองค์เป็นแขกที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสมควรต้อนรับพระเวชันดอนตรัสว่าสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายให้แล้วขอสิ่งนั้นทั้งหมดจงเป็นอันเราได้รับไว้แล้วเถิดบรัรณาการเป็นอันท่านทั้งหลายได้ทำแล้วทุกอย่างพระราชาทรงพิโรธข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปยังเขาวมกฎสหายทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงทราบโอกาสซึ่งเป็นที่อยู่ในป่าของข้าพเจ้าเถิด พระเจ้าเจตราชกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพขอเชิญพระองค์เสด็จประทับณเจตราชนี้ก่อนเถิดจนกว่าชาวเจตราชจะไปเฝ้าพระเจ้ากรุงศรีพีเพื่อทูลขอถึงพระราชสำนักเพื่อทูลขอพระมหาราชผู้พดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีทรงอภัยโทษให้ชาวเจตราชได้ที่พึ่งแล้วมีความปรีดาแหแหนแวดล้อมพระองค์ไป ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิดพระเวสสันดรตรัสว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ชอบใจเลยการไปทูลขอถึงพระราชสำนักเพื่อให้พระราชาทรงอภัยโทษนั้นแม้แต่พระราชาก็ไม่ทรงเป็นใหญ่ในเรื่องนี้เพราะถ้าชาวกรุงศรีผีพร้อมทั้งพลนิกายและชาวนิคมโกรกเคืองยิ่งแล้วก็ปรารถนาจะกาจัดพระราชาเสียพราะสาเหตุแห่งเรา พระยาเจตราชกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้พดุงรัฐให้เจริญถ้าเหตุการณ์นี้ในรัฐนั้นเป็นไปเช่นนี้ขอพระองค์ทรงมีชาวเจตราชแวดล้อมเสด็จครองราชสมบัติในรัฐนี้เถิดรัฐนี้มั่งคั่งสมบูรณ์ชนบทก็มั่งคั่งกว้างใหญ่ข้าแต่ส ม, มุติเทพขอพระองค์ทรงตกลงพระทัยครองราชสมบัติเถิดพระเวสันดรตรัสว่า ข้าพเจ้าไม่มีความพอใจไม่ตกหลงใจที่จะครองราชสมบัติบุตรแห่งชาวเจตราชทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าผู้ถูกขับไล่จากแคว้นเถิดชาวกรุงศรีพีพ น, นิกายและชาวนิคมคงไม่ยินดีว่าชาวเจตราชได้ราชาพิเศษข้าพเจ้าผู้ถูกขับไล่จากแคว้นแม้ความไม่เบิก บ, บานใจจะพึงมีแก่ท่านทั้งหลายเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าแน่นอน อันหนึ่งข้าพเจ้าไม่ชอบใจความบาดหมางใจและความทะเลาะกับชาวกรุงสีพีเลยมิใช่แต่เท่านั้นความบาดหมางใจจะพึงรุนแรงขึ้นสงครามใหญ่ก็อาจจะมีได้คนเป็นจำนวนมากก็จะฆ่าฟันกันเองเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าผู้เดียวสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายให้แล้วขอสิ่งนั้นทั้งหมดจงเป็นอันข้าพเจ้ารับไว้แล้วเถิดบรญญการเป็นอันท่านทั้งหลายได้ทำแล้วทุกอย่าง พระราชาทรงพิโรธข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปยังเขาวงกฏสหายทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงทราบโอกาสซึ่งเป็นที่อยู่ในป่าของข้าพเจ้าเถิดชาวเจตระรากราบทูลว่าเชิญเถิดราชฤาษีทั้งหลายผู้ทรงบูชาไฟมีพระไทยตั้งมั่นประทับอยู่ณประเทศใดข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจกกราบทูลประเทศนั้น ขอให้ทรงทราบเหมือนอย่างผู้ฉลาดในหนทางฉะนั้นเถิดข้าแต่มหาราชโนนผู้เขาคันธมาที่เป็นสิลาล้วนซึ่งเป็นสถานที่ประทับอยู่ของพระองค์พร้อมด้วยพระโอรสทั้งหลายและพระชายาพระยายเจตราชทั้งหลายต่างก็ทรงกันแสงมีพระเนตรนองด้วยพระอสุชนกราบทูลพระเวชันดอนให้ทรงทราบว่าข้าแต่มหาราชจากนี้ไป ขอเชิญพระองค์ทรงบ่ายพระพักตรงไปทางทิศเหนือเถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญต่อจากนั้นพระองค์จักทรงทอดพระเนตรเห็นภูเขาเวปุลละซึ่งดาระดาดไปด้วยหมู่ไม้นานาพันธุ์มีเงาร่มเย็นน่ารื่นรมย์ใจข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระองค์เสด็จเลยภูเขาเวปุลละนั้นไปจากนั้นก็จะทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำเกตมาดีซึ่งเป็นแม่น้ำลึก ไหลามาจากซอกเขากลืนกลนไปด้วยฝูงปลามากมายมีท่าน้ำราบเรียบดีมีน้ำมากพระองค์จะได้สงสนานและเสวยณที่นั้นปลูกปลอบพระโอรสและพระชายาให้สำราญพระไทยข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญต่อจากนั้นไปพระองค์จากท่อพระเนรเห็นต้นใจ ซ, ซึ่งมีผลหวานมีร่มเงาเยือกเย็นเป็นที่น่ารื่นรมใจ ซึ่งเกิดอยู่บนยอดเขาอันน่ารื่นรมคราแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญถัดจากนั้นไปพระองค์จากท่อพระเนรเห็นภูเขานาลิกะซึ่งเป็นศิลาล้วนคลาคล่ำไปด้วยฝูงนกนานาพันและหมู่กินนอนทางด้านทิตะวันออกเฉียงเหนือแห่งภูเขานาลิกะนั้นมีสะมุจลินที่ดารดาไปด้วยดอกบุญทริกดอกอุบลขาวและดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปยังไพรสนวณสถานอันเขียวเฉอุ่มดังเมฆอยู่เป็นนิดสะพรั่งไปด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองเหมือนพญาราชสีที่มุ่งเหยือในไพรสนนั้นมีฝูงนกมากมายส่งเสียงขันคูขู่ร้องก้องไพเราะประสานเสียงขู่ร้องอยู่อึงมี่บนต้นไม้ที่ผลิดอกออกช่อตามฤดูกาลพระองค์เสด็จดำเนินถึงซอกเขาซึ่งเป็นทางเดินลําบาก และเป็นต้นของแม่น้ำทั้งหลายจะได้ทอดพระเนตรเห็นสะโบคารณีอันจะพร่างไปด้วยไม้กลุ่มและไม้รกฟ้าเกลื่อนกลนไปด้วยฝูงปลามากมายมีท่าน้ำงามราบเรียบดีมีน้ำมากเป็นเปียมอยู่สม่ำเสมอเป็นสะสี่เหลี่ยมมีน้ำอร่อยปลาชะจากลิ่นเหมน็นทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสะโบคารณีนั้นพระองค์ได้ทรงสร้างบรณารณศาลา ครั้นแล้วพึงทรงบำเพ็ญเพียรเลี้ยงพระชนชีพด้วยการเที่ยวแสวงหามูลพลาหารอยู่เถิดการวณปะเวทจบการชูชกพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าได้มีพราหมณ์ชื่อชูชกซึ่งอยู่ประจำในแคว้นกาลิงคะเขามีพันยาสาวชื่ออมิตตาปนา ถูกพวกหญิงในหมู่บ้านนั้นที่พากันไปตักน้ําที่ท่าน้ําต่างแตกตื่นกันมารุมด่าอย่างเอืงมี่ว่ามารดาของเจ้าคงเป็นศัตรูแน่นอนบิดาของเจ้าก็คงเป็นศัตรูแน่จึงได้พากันยกเจ้าที่ยังเป็นสาวแรกรุ่นให้แก่พราหม์เท่าอย่างนี้ไม่เกลือกูลเลยหนอพวกญาติของเจ้าแอบไปปรึกษากันลับๆยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวแรกรุ่นให้แก่พราหมณ์เท่าอย่างนี้ พวกญาติของเจ้าเป็นศัตรูหนอได้พากันแอบไปปรึกษากันลับๆยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวแรกรุ่นให้แก่พรามเท่าอย่างนี้เป็นความชั่วจริงหนอที่พวกญาติของเจ้าได้แอบไปปรึกษากันลับๆยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวแรกรุ่นให้แก่พรามเท่าอย่างนี้เป็นความเลวซามจริงหนอที่พวกญาติของเจ้าได้แอบไปปรึกษากันลับๆยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวแรกรุ่น ให้แก่พราม์เท่าอย่างนี้เป็นที่น่าเสียใจหนอที่พวกญาติของเจ้าได้แอบไปปรึกษาลับๆยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวแร่ครุ่นให้แก่พราหมณ์เท่าอย่างนี้เจ้าคงไม่พอใจอยู่กับผัวแก่การที่เจ้าอยู่ในเรือนของพราหม์เท่าเจ้าตายเสียยังจะดีกว่าอยู่แม่คนงามสุดสวยมารดาและปิดาของเจ้าคงหาชายอื่นมาให้เป็นผัวเจ้าไม่ได้แน่ จึงยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวแรกรุ่นให้แก่พราหม์เท่าอย่างนี้ในดิถีที่ก้าวเจ้าคงจักบูชายันไว้ไม่ดีคงจักไม่ได้ทำการบูชาไฟมารดาและบิดาของเจ้าจึงยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวแรกรุ่นให้แก่พราหม์เท่าอย่างนี้เจ้าคงสาบแช่งสมณะและพราหม์ผู้มีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าผู้มีศีลเป็นผู้หูโสในโลกแน่ เจ้าจึงได้มาอยู่ในเรือนของพราหมณ์เท่าแต่ยังเป็นสาวแรกรุ่นอย่างนี้การถูกงูกัดก็ไม่เป็นทุกข์การถูกแทงด้วยห อ, อกก็ไม่เป็นทุกข์การได้เห็นผัวแก่นั้นนั่นแหละเป็นทุกข์หนักนาการเล่นหัวกับผัวแก่ก็ไม่มีการรุ่นรมกับผัวแก่ก็ไม่มีการสนทนาปราศายกับผัวแก่ก็ไม่มีแม้แต่การจิกซีก็ไม่งาม แต่เมื่อใดผัวหนุ่มเมียสาวเล่นหยอกเย้ากันอยู่ในที่ลับเมื่อนั้นความเจ้าโศกทุกทางที่เสียแทงหัวใจอยู่ก็หายไปสิน้นเจ้ายังเป็นสาวรูปงามพวกชายหนุ่มปรารถนายิ่งนักเจ้าจงไปอยู่อาศัยในตระกูลย่าเถิดคนแก่จะทำให้เจ้ารื่นรมได้อย่างไรนาอนมิตตตาปนากล่าวว่าพรามฉันจกไม่ไปตักน้าที่ท่าน้าเพื่อท่านต่อไปอีก เพราะพวกหญิงชาวบ้านมันรุมกันด่าฉันเหตุที่ท่านเป็นคนแก่ชูโชกปลอบว่าเธออย่าได้ทำการงานเพื่อฉันอย่าได้ตักน้ำมาเพื่อฉันฉันจักตักน้ำเองแม่มหาจเรินเธออย่าได้โกรธเครืองฉันนางอมิตาตาปนาตอบว่าฉันไม่ได้เกิดในตระกูลที่จะใช้สามีตักน้ำพราหมท่านจงรู้อย่างนี้ว่าฉันจักไม่อยู่ในเรือนของท่าน พรามถ้าท่านจักไม่นำทาตหรือทาสีมาให้ฉันท่านจงทราบอย่างนี้ว่าฉันจักไม่อยู่ในสํานักของท่านชูโชกกล่าวว่าพรามณีศิลปรกรรมหรือทรัพย์และเครืองเปลือของฉันไม่มีที่ไหนฉันจักนำทาตหรือทาสีมาให้แกเธอผู้เจริญได้ฉันจักอุปถัมภ์บำรุงเธอเธออย่าได้โกรธเคืองเลยนางอมิตรตาปนาตอบว่ามาเถิด ฉันจะบอกแก่ท่านตามที่ฉันได้ฟังมาโน่นพระราชาเวชันดรประทับอยู่ที่เขาวงกฏพราหมณ์ท่านจงไปทูลขอทาตและทาสีขะพระองค์เถิดเมื่อท่านทูลขอแล้วพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์จกพระราชทานทาตและทาสีให้แก่ท่านชูโชกกล่าวว่านางผู้เจริญฉันแก่แล้วเป็นคนทุกพลภาพทั้งขนทางก็แสนไกลเดินไปได้แสนยาก เธออย่าได้พิไรรำพันอย่าได้เสียใจฉันจับอุปธรรมบำรุงเธอเธออย่าได้โกรกเคืองเลยนางอมิตาตาปนาพูดว่าคนขาดยังไม่ทันถึงสนามรบยังไม่ทันได้รบก็ยอมแพ้ฉันใดพราหมณ์ท่านยังไม่ทันได้ไปก็ยอมแพ้เสียแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันพราหมณ์ถ้าท่านจักไม่นําทาตหรือทาสีมาให้ฉันท่านจงทราบอย่างนี้ว่า ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านจากทำการที่ไม่พอใจให้แก่ท่านข้อนั้นจะเป็นทุกข์แก่ท่านในครามโหรสพซึ่งมีในต้นฤดูนักคาเตอรกท่านจะได้เห็นฉันแต่งตัวสวยงามเรื่อนรมอยู่กับชายอื่นข้อนั้นจะเป็นทุกข์แก่ท่านพรามเมื่อท่านเป็นคนแก่รำพันอยู่เพราะไม่เห็นฉันร่างกายที่งอก็จังอยิ่งขึ้น และผมที่งอกก็จับงอกมากขึ้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพรามนั้นตกใจกลัวตกอยู่ในอำนาจของนางพรามณีถูกความมราคะบีบคั้นได้กล่าวกับนางพรามณีว่าพรามณีเธอจงทําเบียงเดินทางให้ฉันทั้งขนมงาขนมเทียนสัตุก้อนสัตุผงและข้าวพอเธอจงจัดให้ดี ฉันจกนําพระกุมารทั้งสองมาให้เป็นทาตพระกุมารทั้งสององค์นั้นเป็นผู้ไม่เกียดคร้านจากปรนในบัตเธอทั้งกลางคืนและกลางวันพราหมชูชกผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพรมครั้งกล่าวดังนี้แล้วก็สวมรองเท้าพร่ำสั่งเสียต่อไปทำประทักษิณพัญญาแล้วพราหมนั้นสมาทานวัดมีน้ำตาหนองหน้าหลีกไปยังนคร อ, อันเจริญรุ่งเรืองของชาวกรงุงศรีพี เที่ยวไปแสวงหาธาตุพราหมณ์ชูโชคนั้นไปในเมืองนั้นแล้วได้ถามชนทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ในที่นั้นว่าพระราชาวเวสันดรประทับอยู่ที่ไหนเราจะไปเฝ้าพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ได้ที่ไหนชนเหล่านั้นผู้มาประชุมกันณที่นั้นได้ตอบพราหมณ์ชูโชคนั้นไปว่าพราหม์พระเวสันดรบรมกรษัตริย์ถูกพวกท่านเบียดเบียนเพราะทรงบริจาคทานมากเกินไป จึงถูกขับไล่ไปจากแคว้นของพระองค์บัดนี้ประทับอยู่ณเขาวงกฏพรามพระเวชันดอนผู้เป็นกษัตริย์ถูกพวกท่านเบียดเบียนเพราะทรงบริจาคทานมากเกินไปจึงทรงพาพระโอรสและพระชายาไปประทับอยู่ณเขาวงกฏพรามชูชกนั้นเป็นผู้มีความติดใจเนกามถูกนางพรามณีอมิตตาตักเตือน จึงได้เสวยทุกเป็นอันมากในป่าที่มีสัตว์ร้ายพลุกพล่านเป็นที่อาศัยอยู่ของแรดและเสือเหลืองแก้ถือไม้เท้าสีเหมือนผลมะตูมเครื่องบูชาไฟและเต้าน้ำเข้าไปสู่ป่าใหญ่ในที่ที่จะได้ทราบข่าวพระเวสสันดรผู้ประทานสิ่งที่น่าใคร่เมื่อแกเข้าไปยังป่าใหญ่ถูกฝูงสุนัขกรุมล้อมกัดแกร้องเสียงหลงเดินผิดทางถอยห่างออกไปจากทาง ลำดับนั้นพรามนั้นผู้โลภในโพคะไม่สำรวมเดินผิดทางที่จะไปยังเขาวงกฎได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าใครเล่าจะพึงบอกพระราชบุตรพระนามว่าเวสันดอนผู้ประเสริฐสุดทรงชนะความตรณีที่ใครใๆให้แพ้ไม่ได้ประทานความปลอดภัยในเวลามีภัยแก่เราพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของพวกยาจบเหมือนธรณีเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ใครเล่าจะพึงบอกพระเวสสันดรมหาราชผู้เปรียบดังทรณีแก่เราได้พระองค์ทรงเป็นที่เข้าเฝ้าของพวกยาจกเหมือนสาครเป็นที่ไหลรวมแห่งแม่น้ำทั้งหลายใครเล่าจะพึงบอกพระเวสสันดรมหาราชผู้เปรียบดังทะเลแก่เราได้ใครจะพึงบอกพระเวสสันดรมหาราชผู้เปรียบเหมือนห้วงน้ำมีท่าสวยงามสะอาดมีน้ำเยือกเย็นเป็นที่รื่นรมใจ ดารดาด่าไปด้วยดอก ry, บุญทริกสักพร่างไปด้วยเครซอนดอกโบว์แก่เราได้ใครเล่าจะพึงบอกพระเวชันดรมหาราชผู้เปรียบเหมือนต้นโพที่เกิดอยู่ริมทางมีร่มเงาเย็นเป็นที่น่ารื่นรมใจเป็นที่พำนักอาศัยของคนเดินทางผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อนแก่เราได้ใครเล่าจะพึงบอกพระเวชันดรมหาราช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 เป็นที่น่ารื่อนรมย์ใจเป็นที่พำนักอาศัยของคนเดินทางผู้เมื่อลเลอะเหนื่อยมาในเวลาร้อนแก่เราได้ก็เมื่อเราเข้าไปในป่าใหญ่เพอรำพันอยู่อย่างนี้ผู้ใดพึงบอกว่าเรารู้จักผู้นั้นจะพึงทําความเพลิเพลินให้แก่เราได้ก็เมื่อเราเข้าไปในป่าใหญ่เพอรำพันอยู่อย่างนี้ผู้ใดพึงบอกสถานที่ประทับอยู่ของพระเวสสันดรได้ว่า เรารู้จักผู้นั้นเพึ่ประสบบุญไม่ใช่น้อยด้วยคำคำเดียวนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าเจตบุตรพรามป่าได้ต่อพรามชูชกว่าพรามพระเวชนนท์ผู้เป็นกระตัตย์ถูกพวกท่านรบกวนเพราะทรงบริจาคทานมากเกินไปจึงถูกขับไล่ออกจากแคว้นของพระองค์ไปประทับอยู่ที่เขาวงกฏพรามพระเวสันด์ผู้เป็นรตริย์ ถูกพวกท่านรบกวนเพราะทรงบริจาคทานมากเกินไปจึงทรงพาพระโอรสและพระชายาไปประทับอยู่ที่เขาวงกตท่านเป็นคนโง่เขลาทําสิ่งที่ไม่น่าทําจากแคว้นมาป่าใหญ่เที่ยวสแสวงหาพระราชบุตรเหมือนนกอย่างเที่ยวสาหาปลาในน้ำพรามณที่นี้เราจะไม่ให้ท่านมีชีวิตอยู่ได้ลูกศรที่เรายิงนี้แหละจกโดดกินโลหิตของท่าน พราหม์เราจะตัดศีรษะของท่านพาหัวใจพร้อมด้วยไสพุงบูชายันชื่อปันทะสกุณาพร้อมด้วยเนื้อของท่านพราหมณ์เราจะเชื่อเฉืนเอาหัวใจของท่านพร้อมด้วยเนื้อมันข้นและมันสมองของท่านยกขึ้นเป็นเครื่องบวงสรวงพราหมณ์ข้อนั้นจะเป็นยันที่เราบูชาดีแล้วบวงสรวงดีแล้วด้วยเนื้อของท่าน และท่านจากนำพระชายาและพระโอรสทั้งหลายของพระราชบุตรไปไม่ได้ชูโชโกโหกว่าเจตบุตรท่านจงฟังเราก่อนพราหมู้เป็นทูตไม่ควรถูกฆ่าเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ฆ่าทูตนี้เป็นธรรมอันเก่าแก่ชาวกรุงศรีพีทุกคนตกลงยินยอมแล้วพระบิดาก็ทรงพระประสงค์จะพบพระราชบุตรนั้น และพระมารดาของพระราชบุตรนั้นก็ทรงทุกพลภาพคงไม่นานนักพระเนรทั้งสองของพระองค์ก็จะขุนมัวเจตบุตรท่านจงฟังเราก่อนเราเป็นทูต ท, ที่พวกชาวกรุงศรีพีนั้นส่งมาเราจะทูลเชิญพระราชบุตรเสด็จกลับถ้าท่านรู้ขอได้บอกทางแก่เราเถิดพรานเจตบุตรกล่าวว่าท่านเป็นทูต ท, ที่โปรปรานของพระเวสสันดรผู้เป็นที่รักของเรา เราจะให้รางวัลแก่ท่านพราหม์เราจะให้น้ำเต้าและขาเนื้ออย่างดีแก่ท่านและจะบอกสถานที่ประทับอยู่ของพระเวสสันดรผู้ให้สิ่งที่น่าใคร่แก่ท่านกันชูชกจบจูลววัณวันน า, า, น า, นาพรนานากันจุลพนันะพระเจตบุตรกล่าวว่ามหาพราหม์นั่นภูเขาคันตมาสิลาลวน ซึ่งเป็นที่ประทับอยู่ของพระเวชันดรพร้อมทั้งพระโอรสทั้งหลายและพระชายาพระองค์ทรงเพศนักบวชอันประเสริฐทรงขอสอยผลไม้เครื่องบูชาไฟและฉดาทรงนุ่งห่มหนังเสือบรรทมเหนือแผ่นดินและทรงบูชาไฟอยู่ทิวไม้เขียวนั้นมีผลหลากหลายและภูเขาสูงยอดเสียดเมฆเขียวชะอุ่มนั่นแลเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยดอกอันชัน แน่นหมูไม้ตะแบกหูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้สะเคราะและย่านสายหอนไว้ไปตามลมเหมือนมานกดื่มสุราครั้งเดียวก็สวนเซไปมาอยู่ท่านจะได้ยินเสียงนกนาน า, นาชนิดที่จับอยู่บนกิ่งไม้ดุดทิพยยะสังขีคือเหล่านกโพ ร, ระดกนกดูว์ส่งเสียงขันคูขู่ร้องบินควาควายไปมาจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง ทั้งหมูไม้ที่ต้องลมพัสบตดกิ่งไวยไหวพลิ้วเสียสีฟันไปมาเหมือนจะเรียกคนผู้กำลังเดินไปให้หวนกลับมาและเหมือนจะเชิญชวนเหล่าชนผู้กำลังเดินผ่านมาให้ชื่นชมเรื่องรมพักผ่อนณสถานที่ที่พระเวสสันดรพร้อมทั้งพระโอรสทั้งหลายประทับอยู่พระองค์ทรงเพศเป็นบนรรปะชิตอันประเสริฐทรงขอสอยผลไม้เครื่องบูชาไฟและชดา ทรงนุ่งห่มหนังเสือบรรทมเหนือแผ่นดินและทรงบูชาไฟอยู่ในบริเวณอาสมสถานนั้นมีไม้มะม่วงมะกวิดขนุนไม้รังชมพู่สมอพิเพกสมอไทยมะขามป้อมโพและผู้สาทั้งมะพร้าวทองไสมะควิดมะา้างหวานและมะเดือ่อมีผลสุกแดงปล่งอยู่ในที่ต่ำ หมู่ไม้ที่มองเห็ น, นเชิงเขาปาเร ว, วตะผลอุ่นผลจันมีรสหวานเหมือนน้ำผึ้งรวงพึ่งที่ปราศจากตัวพึ่งคนเอื้อมมือนำมาบริโภคได้เองในอาสมนั้นต้นมะม่วงบางต้นก็ผลิดอกออกช่อแย้มบานบางต้นมีดอกและใบร่วงหล่นผลผลดาดเดินบางผลดิบบางผลสุกผลมะม่วงทั้งดิบและสุกมีสีคล้ายหลังกบ อันหนึ่งในบริเวณอาสมนั้นคนที่ยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงเหล่านั้นก็เก็บเอาผลมะม่วงสุกได้ผลมะม่วงทั้งดิบและสุกมีสีสวยงามกลิ่นหอมและมีรสอร่อยสิ่งที่ว่ามาทั้งนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งถึงกับข้าพเจ้าออกอุทานว่าเออที่ประทับอยู่ของพระเวสสันดร น, นั้นเหมือนกับที่อยู่ของพวกเทวดางดงามเปรียบด้วยพระอุทยานนันทวัน มีต้นตาลต้นมะพร้าวและต้นอินทาลามอยู่ในป่าใหญ่มีดอกสีหลากหลายเหมือนพวงดอกไม้ที่เขาร้อยไว้บนต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่งต้นไม้เหล่านั้นย่อมปรากฏดังยอดธงชัยเหมือนดวงดาวประดับฟ้าในบริเวณอาสมนั้นมีหมู่ไม้นาน า, นาพันธุ์คือไม้โมกมันโกศคานแครฟอยบุญนาคบุญนาคเขาและไม้ซึก มีดอกบานสะพรั่งอันหนึ่งในบริเวณอาสมนั้นมีต้นราชพฤกษ์มะเกลือกลษสนารักดำไซใหญ่งอนไก่และประดูเป็นอันมากมีดอกบานสะพรั่งในบริเวณอาสมนั้นมีไม้โมกหลวงไม้สนไม้กระทุ่มไม้ช่อไม้ตะแบกและไม้รังล้วนมีดอกบานสะพรั่งเป็นพุ่มเหมือนลอมฟาง ในที่ไม่ไกลจากอาสมนั้นมีสระบครณีณภนะูมิภาคอันน่ารื่นรมดาราดาไปด้วยดอกประทุมและดอกอบุบลเหมือนสระบครณีที่อยู่ในอุทยานนันทวันของเหล่าเทวดาอันหนึ่งณานะที่ใกล้สระบครณีนั้นมีฝูงนกดูเบาเมารสดอกไม้ส่งเสียงร้องไพเราะจับใจทำให้ป่าใหญ่ดังอึกระเทึกเือก้อง เมื่อหมู่ไม้ผลิดอกออกช่อเ บ, บ่งบานตามฤดูกาลรสหวานปานน้ําผึ้งพัดร่วงลงจากเกสรดอกไม้มาติดค้างอยู่บนใบบัวจึงชื่อว่าน้ําผึ้งใบบัวอันหนึ่งอาสมนั้นเมื่อลมทิศใต้และทิศตะวันตกพัดมาก็เกลื่อนกลายไปด้วยละอองเกสรดอกปทุมในจะโบกขรณีนั้นมีกระจาบขนาดใหญ่ทั้งข้าวสาหลีอ่อนบ้างแก่บ้าง เหล่านั้นนั่นแหละล้มระเนระนาดอยู่บนพื้นดินและในสะโบกรณีนั้นน้าใสสะอาดมองเห็นฝูงปลาเต่าและปูเป็นจำนวนมากที่กำลังว่ายไปมาเป็นกลุ่มรสที่ไหลออกมาจากเง่าบัวและจากสายบัวมีรสหวานปานน้ำผึ้งนมสดและเนยใสที่เจือปนด้วยน้ำนมปลาไม้นั้นมีกลิ่นต่างๆมีลมโชยพัดมา หอมฟุ้งตลบอบอวนเหมือนจะยังชนผู้มาถึงแล้วให้บันเทิงเบิกบานด้วยกลิ่นและพวงดอกไม้หมู่พมรก็โผบินร่อนส่งเสียงกระหึ่มอยู่รายรอบเพราะกลิ่นหอมของดอกไม้อันหนึ่งที่ใกล้อาสมนี้มีฝูงนกจำนวนมากที่มีสีต่างๆกันต่างก็บันเทิงใจอยู่กับคู่ของตนกูร้องประชันเสียงกันแล้วกัน ยังมีฝูงนกอีกสี่ฝูงอาศัยอยู่ใกล้สะโบกขรณีคือฝูงนกนันทิกาฝูงนกชีวปุตตาฝูงนกปุตตาปิยาจโนฝูงนกปิยาปุตตาปิยานันทาดอกไม้ทั้งหลายตั้งเรียงรายกันอยู่เหมือนพวงมาลัยที่เขาร้อยไว้หมู่ไม้เหล่านั้นย่อมปรากฏดังยอดธงชัยมีดอกสีต่างกัน ดังนายช่างผู้ฉลาดได้เก็บมาเรียงร้อยไว้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสถานที่ที่พระราชาเวสันดรพร้อมด้ยวยพระโอรสทั้งหลายประทับอยู่พระองค์ทรงเพศเป็นนักโบทอันประเสริฐทรงขอสอยผลไม้เครื่องบูชาไฟและชดาทรงนุ่งหม่มหนังเสือบรรทมเหนือพื้นดินและทรงบูชาไฟอยู่ชูโชคกล่าวว่าก็ข้าสัตว์ผงที่เราคนด้วยน้ำผึ้ง และข้าวสัตต์ก้อนที่มีรสหวานอร่อยของเรานี้ที่นางอมิตตาได้จัดแจงให้เราจะแบ่งให้แก่เจ้าพระเจตบุตรกล่าวว่าท่านพราหมณ์ขอจงเอาไว้เป็นเสบียงทางของท่านเถิดเพราะพระเจ้าไม่ปรารถนาเสบียงทางท่านพราหมณ์ขอท่านจงรับเอาเืินไปจากที่นี้เถิดขอท่านจงไปตามสบายเถิดทางนี้เป็นทางเดินไปได้คนเดียวตรงไปยังอาสม แม้อ จ, จุตตรฤาษีผู้อยู่ในอาสมนั้นเป็นผู้มีขี้ฟันเครอะมีศีสระเปื้อนด้วยทุลีสงเพศเป็นนักบวชอันประเสริฐเือขอสอยผลไม้เครื่องบูชาไฟและชดาอยู่เป็นผู้นุ่งหม่มหนังเสือนอนเหนือพื้นดินและบูชาไฟเชิญท่านไปถามฤาษีนั้นดูเถิดฤาษีจะบอกทางให้แก่ท่านชูโชคผู้เป็นเผ่าพันแห่งพราหม กรันได้ฟังคำแนะนำนี้แล้วกระทาประทักษิณมีใจเบิกบานอําลาพรานเจตบุตรแล้วหลีไปในทางที่อา จ, จุตตะเรศีอยู่พรนานากันจุลพนะจบมหาวันวันานาพรนานากันมหาพนะพรามชูโชคพารัวาชะนั้นเมื่อเดินไปก็ได้พบอา จ, จุตตะเรศี ครั้นพบแล้วได้ทักทายปราศัยกับอ จ, จุตเตอร์เรีว่าพระคุณเจ้าไม่มีโรคเบียดเบียนหรือสุขสําราญดีหรือเลี้ยงอัถภาพได้กานแสวงหาหมูลพลาหารสะดวกหรือมูลพลาหารก็มีมากหรือเหลือบยุงและสัตดเลื้อยคลานมีน้อยหรือในป่าที่มีเนื้อร้ายพลุกพล่านไม่มีมาเบียดเบียนหรืออ จ, จุตเตอเรศีกล่าวว่าพราหมณ์เราไม่มีโรคเบียดเบียน เราสุขสบายดีอันหนึ่งเราเลี้ยงอัตภาพด้วยการแสวงหามมลพลาหารสะดวกดีทั้งมูลพลาหารก็มีมากอนหนึ่งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานก็มีน้อยในป่าที่มีเนื้อรายอยู่พลุกพล่านก็ไม่มีมาเบียดเบียนเราเลยหลายปีมาแล้วเรามาอยู่อาสมของเรายังไม่รู้จักอาพาธ ท, ที่ไม่น่ารื่นรมซึ่งจะเกิดขึ้น มหาพรามท่านมาดีแล้วไม่ได้มาร้ายท่านผู้เจริญขอเชิญเข้าไปข้างในเชิญล้างเท้าทั้งสองของท่านเถิดผลมาพรับผลมาหาดผลมาจางผลหมากเม่ามีรสหวานปานน้าพึ่งเชิญท่านเลือกบริโภคแต่ผลดีดีเถิดน้ำดื่มเย็นสนิทที่เรานามาจากซอกเขามหาพรามถ้าท่านต้องการก็เชิญเดิมเถิดชูโชคกล่าวว่า สิ่งใดที่พระคุณเจ้าให้แล้วสิ่งนั้นทั้งหมดเป็นอันข้าพเจ้ารับไว้แล้วบรัณการพระคุณเจ้าได้ทำไว้ทุกอย่างแล้วข้าพเจ้ามาก็เพื่อจะยื่มเยือนพระราชาวเวสันดรพระโอรสของพระเจ้ากรุงสนชัยซึ่งพลับพรากจากชาวกรุงสีพีมาช้านานถ้าพระคุณเจ้าทราบสถานที่ประทับก็โปรดแจ้งแก่ข้าพเจ้าเถิดอาจุตตะฤาษีกล่าวว่าท่านผู้เจริญ มาเพื่อต้องการบุญเพื่อเยี่ยมเยืยนพระเวชันดอนเจ้ากรุงสีผีก็หาไม่เราเข้าใจว่าท่านปรารถนาจะมาขอพระชายาผู้เคารพนบน อ, นอกพระราชาไปเป็นภรนยาหรือมิฉะนั้นท่านก็ปรารถนาจะมาขอพระกันหาชินาไปเป็นทาสีและพระชาลีไปเป็นทาสหรือหาไม่ก็มาเพื่อจะนำทั้งพระมารดาและพระโอรสทั้งสามพระองค์ไปจากป่า ท่านพราหมณ์โพคะทั้งหลายทรัพย์สินและเข้าเปลือของพระเวสสันดร น, นั้นไม่มีจูโชคกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านยังไม่สมควรจะโกรธเคืองเพราะข้าพเจ้าไม่ได้มาเพื่อขอการพบเห็นพระอริยะเป็นการดีการอยู่ร่วมกับพระอริยะเป็นสุขทุกเมื่อข้าพเจ้าไม่เคยได้บพบพระเวสสันดรเจ้ากรุงศรีพีผู้ทรงพลัดพรากจากชาวกรุงศรีพีมานาน ข้าพเจ้ามาเพื่อเยี่ยมเยือนพระองค์ถ้าพระคุณเจ้ารู้จักสถานที่ประทับโปรดบอกแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอจจุตเตอร์ศีกล่าวว่ามหาพรามนั่นภูเขาคันธมาศิลาล้วนซึ่งเป็นที่ประทับอยู่ของพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระโอรสทั้งหลายและพระชายาพระองค์ทรงเพศนักบวชอันประเสริฐทรงขอสอยผ ล, ลไม้เครื่องบูชาไฟและชะดานุน่งห่มหนังเสือ บรรทมเหนือพื้นดินและทรงบูชาไฟอยู่ทิวไม้เขียวนั้นมีผลหลากหลายและภูผาสูงยอดเสียดเมฆเขียวชะอุ่มนั่นแลเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยดอกอันชันนั่นหมู่ไม้ตะแบกหูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้ตะเคราะห์และย่านทายอ่อนไหวไปตามลมเหมือนมานบเดิมสุราครั้งเดียวก็ส่วนเจไปมาอยู่ ท่านจะได้ยินเสียงนกนานาชนิดที่จับอยู่บนกิ่งไม้ดูดดังเสียงที่พะังคีตคือนกโพ ร, ระดกนกดูว์วส่งเสียงขันคูขู่ร้องบินขวักขวายไปมาจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งทั้งหมู่ไม้ที่ต้องลมพัดสะบัดกิ่งใบปลิวเสียดสีกันไปมาเหมือนจะเรียกคนผู้กำลังเดินผ่านไปให้หวนกลับมาและเหมือนจะเชิญชวนเหล่าชนผู้กำลังเดินผ่านมา ให้ชื่นชมเรื่อนรมพักผ่อนอยู่ณสถานที่ที่พระราชาวเวชันดรพร้อมด้วยพระโอรสทั้งหลายและพระชายาประทับอยู่พระองค์ทรงเพศนักบวชอันประเสริฐทรงขอสอยผลไม้เครื่องบูชาไฟและชดาหนุ่มห่มหนังเสือบรรทมเหนือพื้นดินและทรงบูชาไฟอยู่ที่ภูมิภาคอันน่ารื่นรมใจมีดอกกลุ่มร่วงหล่นรื่ราด พื้นแผ่นดินเขียวชฉอุ่มไปด้วยหญ้าแพรกณที่นั้นไม่มีผงธุรีฟุ้งขึ้นเลยหญ้านั้นสีเขียวคล้ายซ้อยคอนกอยูงอ่อนนุ่มเหมือนสัมผัสสำลีหญ้ารายรอบยาวไม่เกินสีนิ้วต้นมะม่วงชมพู่มะกขิดและมะเดือ่อมีผลสุกอยู่ในที่ต่ำๆป่านั้นเป็นสถานที่เพิ่มความเรื่นรมมากขึ้นเพราะมีหมู่ไม้ที่ใช้บริโภคได้ มีน้ำใสสะอาดกลิ่นหอมสีเหมือนแก้วไพยทูลเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาหลั่งไหลไปในป่านั้นภูมิภาพเป็นที่น่ารื่นรมย์ไม่ห่างไกลาจากอาสมนั้นมีสระบกครณีดารดาดาไปด้วยดอกปทุมและดอกอุบลเหมือนมีในอุทยานนันทวันของพวกเทวดาพรามในสระบกครณีนั้นมีอุบลอยู่สามเหล่าคืออุบลเขียวอุบลขาว และอุบลแดงงามตระการตา ม, มากมายในสระนั้นมีดอกปทุมสีขาวดังผ้าโคมพัดสระนั้นชื่อสะมุจลินดารดาดไปด้วยอุบลขาวจงกณนนีและผักทอดยอดอันหนึ่งในสระนี้มีปฐุมชาติบานสะพรั่งปรากฏดังจะหาที่สุดมิได้บ้างก็บานในฤดูขิมหันบ้างก็บานในฤดูเหมัน ปรากฏเหมือนลอยอยู่บนน้ำซึ่งลึกประมาณเพียงเขา่าประทุมชาติงามตระการตาชูดอกสะพรัง่งส่งกลิ่นอบอวลหมูพอมรก็โผลบินร่อนเสียงดังกระหึ่มอยู่รายรอบเพราะกลิ่นหอมของดอกไม้พรามณ์ณนะริมรอบขอบสะนี้มีต้นไม้ขึ้นมากมายเช่นต้นกระทุ่มต้นแคฝอยและต้นทองหลางผลิดอกออกช่อบานสะพรัง่งต้นป ร, รู ไม้ซาบไม้ปริชาติก็มีดอกบานสะพรั่งต้นกากะทิงมีอยู่ที่สองฝากฝั่งของสะมุจลรินต้นซึต้นแคขาวบัวบกทรงกลิ่นฟุ้งไปต้นคนทีสอต้นคนทีต้นเขมาและต้นประดูขึ้นอยู่ใกล้สะนั้นมีดอกบานสะพรั่งต้นมะคลำไก่ต้นมะ้างต้นแก้วต้นมะรุมการะเกต กัิกาและชบาผลิดอกบานสะพรั่งต้นรกฟ้าต้นอินทนินต้นกระท้อนและต้นทองกว่าวต่างก็ผลิดอกออกช่อและยอดแดงระเรื่อไม้เมรื่นตีนเป็ดกล้วยต้นคำฝอยนมแมวคนทาประดูลายและสลอดผลิดอกบานสะพรั่งต้นมะไฟต้นยิ้วช้างน้าวพุธขาว กฤิศนาปวดเขมาและปวดสอผลิดอกบานสะพรั่งณบริเวณสะนั้นมีต้นไม้ที่มีทั้งอ่อนและแก่ต้นเมฆคดงอผลิดอกแย้มบานตั้งอยู่ทั้งสองข้างอาสมรอบเรือนไฟอันหนึ่งที่ริมรอบขอบสะนี้มีพันไม้เกิดขึ้นมากมายคือตะไคร้ถั่วเขียวถั่วราชมาศสารายและสันตวา น้ำในสระนี้ถูกลมรำเพยพัดเกิดเป็นกระลอกคลื่นกระทบฝั่งมีหมู่แมลงผับินคเคล้าเคยศรดอกไม้ที่แย้มบานสีเสียเทศเต่าร้างและผักทอดยอดมีอยู่มากพราหม์ต้นไม้ทั้งหลายดาระดาบไปด้วยกล้วยไม้ชนิดต่างๆกลิ่นของบุปผชาติเหล่านั้นหอมอบอวลอยู่ได้ถึงเจ็ดวันไม่ระเหยหายไป บูพชาติทั้งหลายเกลืออยู่เรียงรายสองฝาบฟังสะมุจลินล้วนแต่สวยงามป่านั้นดารดาไปด้วยต้นราชพฤกษ์ทำให้สวยงามกลิ่นดอกราชพฤกษ์นั้นหอมอบอวลอยู่ได้ถึงกล่งเดือนไม่ระเหยหายดอกอันชันเขียวอันชันขาวและปุ่มแดงมีดอกบานสะพรั่งป่านั้นดารดาไปด้วยอบเชยและแมงลัก เหมือนป่านั้นจะให้คนบันเทิงใจด้วยดอกไม้และขิ่งไม้ที่มีกลิ่นหอมหมูพรมรก็โผบินร่อนเสียงดังกระหึ่มอยู่รายรอบเพราะกลิ่นหอมของดอกไม้พรามหน่าริมรอบขอบสระนั้นมีฟักแฟงแตงน้ำเต้าสามชนิดคือชนิดหนึ่งมีผลเผื่องขนาดเท่าหม้ออีกสองชนิดเหล่านั้นมีผลโตขนาดเท่าตะโพนอันหนึ่งที่ใกล้สระนี้ มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดเป็นจำนวนมากทั้งกระเทียมที่มีใบเขียวสดต้นเหลาชะโอนตั้งอยู่เหมือนต้นตาลผักสามห่าวเป็นจำนวนมากควรเด็ดดอกด้วยกำมือมีเถาโคกระออมนมตำเลียเถาหญ้านางเถาชะเอมไม้อโศกต้นเทียนบรเพชดไฟชิงช้าชาลีว่านหางช้างอังกาบเถาพลุและมะลิซ้อน มีดอกแย้มบานต้นทองกวาวเครือมีดอกบานสะพรั่งขึ้นอยู่ตามต้นไม้ต้นกล้างปากำยานคัดเขาชะเอมมลิเลื้อยมลิธรรมดาชะบาบัวบกงดงามต้นแคฝอยฝ้ายทะเลและกรนิกามีดอกเบ่งบานปรากฏดังขายทองงดงามระเรื่อเปรีบเหมือนเปลวเพลิง ดอกไม้ที่เกิดบนบกและเกิดในน้ำเหล่านั้นทั้งหมดต่างก็ปรากฏอยู่ในสระนั้นเพราะมีน้ำขังอยู่มากน่ารื่นรมด้วยประการฉนี้อันหนึ่งในสะโบ ค, โครณีนั้นมีปลาที่แหวกว่าอยู่ในน้ำมากชนิดคือปลาตะเพียนปลาช่อนปลาดุกจระเข้ปลามังกรปลากาณที่ใกล้สระนั้นมีเชเอมต้นเชเอมเครือกัยาน ประยงเนรภูสีแห้วหมูสัตบุตรสมุนละแวงพิมเสนสามสิกคิริศนาเถากระไดลิงเป็นจำนวนมากบัวบกโกดขาวประทุ่มเลือดต้นนาดขมิ้นแก้มหอมหอระดานกำคูนสมอพิเพกใครเครือกระบูนและปะลลิงคุกอันหนึ่ง ในป่านั้นมีสัตว์หลากหลายชนิดคือราชสีเสือโครง่งยักษินีมีหน้าดุดลาช้างพังช้างพลายเนื้อสายเนื้อฟานละมั่งและอีเห็นสุนักจิ้งจอกหมาในบางกระลอกแจมรีชนีลิงลมข้างลิงลิงจุน่นณที่ใกล้สะนั้นมีกวางกระทิงหมีวัวป่าแรก หมูพังพรและงูเห่าเป็นจำนวนมากกระบือหมาในสุนัขจิ้งจอกกิ้งปลาตะปวดเฮีย่ยเสือดาวและเสือเหลืองมีอยู่โดยรอบด้านกระต่ายแรง้งราชสีและเสือปลาสกุลชาติหลายชนิดคือนกกวักนกยูงนกของขาวไก่ฟ้านกกระปูดไก่ป่านกหัสดีลิง ร่มร้องคู่ขันหากันละกันนกยางโทนนกยางกรอกนกโพระดกนกต้อยตีวิตนกกรเรียนเหยี่ยวดำเหยี่ยวแดงนกช้อนหอยนกพริกนกคับแคร์นกแขกนกกดนกประเตนใหญ่นกนางแอนนกคุ้มนกกระทานกกระทุงนกกระจอกนกกระจาบนกกระเตนน้อยนกกางเขน นกกระราะเวกนกแอนลมนกเงือกนกออกสะมุจรินเปลืน่นกลนไปด้วยฝูงนกนานาชนิดกู่ร้องขานขันด้วยเสียงต่างๆกันอันหนึ่งณที่ใกล้ฉะนี้มีฝูงนกมากมายมีขนปีกงามวิจิตรมีเสียงไพเราะสนอโสดบันเทิงใจอยู่ของคู่ของตนกู่ร้องประชันเสียงกันละกัน อันหนึ่งที่ใกล้จน่นี้มีฝูงนกส่งเสียงร้องไพระเป็นนิดมีตางามประกอบด้วยเบ้าตาขาวมีฝูงนกที่มีขนปีกงามวิจิตรอันหนึ่งที่ใกล้จน่นี้มีฝูงนกส่งเสียงร้องไพระเป็นนิดมีงอนมีสร้อยคอเขียวปู่ร้องประชันเสียงกันและกันนี่ไก่เถือนไก่ฟ้า น, นกเป้านกนางนวลเหยี่ยวดำ ยีวนกเขานกกา้ํานกแขกเต้าและนกสาลิกาอันหนึ่งที่ใกล้สถานีมีนกเป็นจำนวนมากเป็นพวกพวกคือเหลืองแดงขาวนกหัสดีลิงพญาหงทองนกกา้ํานกแขกเต้านกเอี้ยงนกดูเว่าวนกอกขาวหงขาวนกเงือกนกเค้าแมว่านนกยางนกโพระดกนกต้อยตีวิต นกพี่ราบหง์แดงนกจักระภาคนกเป็ดน้ำนกหัสดีลิงส่งเสียงร้องที่น่ารื่นรมย์ใจนกเหล่านั้นต่างก็ส่งเสียงร้องปู่ก้องหากันและกันที่เชิงเขาทั้งเช้าและเย็นอยู่เป็นนิดอันหนึ่งเทือกใกล้สะนี้มีฝูงนกจํานวนมากที่มีสีต่างกันบันเทิงใจอยู่กับคู่ของตนปู่ประชันเสียงกันและกัน อันหนึ่งเที่ยใกล้สะนี้มีฝูงนกจํานวนมากที่มีสีต่างๆกันทั้งหมดต่างก็ขันคูกู่ร้องเสียงไพเราะ อ, อยู่ฝากฝั่งทั้งสองของสะมุจลินอันหนึ่งเที่ใกล้สะนี้มีฝูงนกกระเวกต่างก็บันเทิงใจอยู่กับคู่ของตนกู่ประชันเสียงกันแล้วกันอันหนึ่งเที่ใกล้สะนี้ฝูงนกกระเวกทั้งหมดนั้น ต่างก็กู่ร้องเสียงไพเราะอยู่ฟากฝั่งทั้งสองข้างของสะมุจลินป่านั้นเกลื่อนกลนไปด้วยเนื้อาย・เนื้อฟานเป็นที่อยู่อาศัยของช้างพลายและช้างพังดารดาษไปด้วยเถาวันน า, นาชนิดเป็นที่อาศัยอยู่ของฝูงฉมดอันหนึ่งที่ใกล้สะนี้มีธั ญ, ญชาติเป็นจำนวนมากคือข้าวฟ่างลูกเดือยเป็นอันมากข้าวสาลีที่ไม่ต้องหุงด้วยฟืนไฟ และอ้อยไม่ใช่น้อยก็มีอยู่ในป่านั้นทางนี้เป็นทางเดินไปได้คนเดียวตรงไปยังอาสมคนผู้ไปถึงอาสมซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเจ้าเวสันดรพร้อมด้วยพระโอรสทั้งหลายประทับอยู่นั้นจะไม่ประสบความหิวความกระหายและความไม่ยินดีพระองค์ทรงเพศเป็นนักบวชอันประเสรศิฐทรงขอสอยผลไม้เครื่องบูชาไฟและชดาหนู่ห่มหนังเสือ บรรทมเหนือพื้นดินและบูชาไฟอยู่ชูชกผู้เป็นเผ่าพันธแห่งพราหมณ์ครั้นได้ฟังคำแนะนำนี้แล้วกระทำประทักษิณมีใจเบิกบานอำลาท่านฤาษีแล้วหลีกไปยังสถานที่ที่พระเจ้าเวสันดรประทับอยู่พรรณนาการมหาพนะจบ